สัตว์ที่ไม่มีบุญพอเข้าถึงพุทธธรรมไม่ได้นะครับท่านว่าเอาละคือประเด็นที่เปิดตรงนี้ก็คือจะให้ท่านได้ยินครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงธรรมเนี่ยมาพูดกันว่าเขาปฏิบัติตามมรรคท่านก็พูดอยู่จง้องอยู่แล้วก็คือในอริยธรรมจกักรแล้วก็จะพบอริยสัจก็อย่างที่ผมบอกไงว่าทฤษฎีตัวสุด ปฏิบัติตามมรรคแล้วถึงจะรู้แจ้งอริยสัจแล้วก็จะรู้ว่าทางเดินคืออะไรอา้าวแล้วเดินมาไงเมื่อกี้ก็นี่ไงผมถึงบอกว่าพอถึงมันเข้าหลูกไง ม, มันแทนค่ากันไม่ได้มันเข้าหลูกก็ถึงบอกว่ามีคนแรกคนเดียวที่ทําได้นอกนั้นพอได้ทฤษฎีตอนนี้ปั๊บก็เอามาโยวนวางไว้ข้างหน้าให้พวกเราเดินเลยแต่ตอนวันแรกน่ยไม่มีก็ถึงบอกถ้าไม่มีผู้แต่เจ้าจะไม่มีมรรคเลย เพาะแล้วท่านใช้อะไรเดินเข้าหรอก็จะใช้มักไงอา้าวแล้วท่านเอามาจากก้อนปันณีไงกสีอสงไขยแสนมหากับนี่ไงถึงได้ปึ๊บขึ้นมาได้เองไงนอกนั้นไม่มีพวกเราเป็นอะไรล่ะพวกเราเป็นมัคคานุคานี่ผู้เดินตามมักมีองค์เดียวที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือท่านนอกนั้นพวกเราเป็นผู้เดินตามมักทั้งหมดเสื้อมัคคานุคาแปดก็คือ 8ปดนี่ก็คือมักมีองคแปดนั่นแหละนะครับนี่แหละนะครับที่มา